ทางที่รถวิ่งเนี่ยบางแห่งมันไม่ได้ราบเสมอไปใช่ไหมมันขึ้นขึ้นลงล ง, ลงเราใช้เกียร์เดียวได้ไหม <c oughs> สามระดับใช่ไหมเมื่อก่อนคิดว่าเอาเอารถทางใช้เกียร์กระปุกก็แล้วกันเคยเคยขับรถเกียร์กระปุกไหมตอบได้ตรงเป๊ะเลยนะจะอดโดอดโต้ใช้เกียร์เดียวแต่ว่าออโต้มันก็ปรับในตัวของมันในชะ่ไหม ม, มัรวมพวกมันทําให้มนุษย์ขี้เกียจขึ้นนะ่ะนะนี่คือคือฝนดเขาว่ากำมาฉันทะน่ะ ที่เปรียบเหมือนว่าขับรถเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงถ้าเขาใช้เกียร์กระปุกกันะถ้าบางคนนะประมาทวันนั้นโยมขับรถพาขึ้นเขาเขาก็เหยียบเกียร์มาเพลินเหยียบเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เพขึ้นไปกลางเขารถมันหมดแรงจะเหยียบต่อก็ไม่ได้รถก็จะถอยที่จะปรับไปตั้งต้นใหม่ถอยลงไปไปตั้งต้นใหม่ขึ้นมาใหม่ ไอ้ความเพลินเนี่ยเราทําให้อาดการเปลี่ยนแปลงบางทีเราใช้เกียร์เดียวนี่ไม่ได้เพราะว่าการขึ้นการลงของอนิจังคือความเดี๋ยวหนักเดีเ๋ยวเบาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยก็ต้องปรับเรื่อยๆไอ้การรูรุ่มรอมรอนของความเป็นอนิจังเหมือนเส้นทางขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะใช่ไหมขึ้นลงโค้งบางทีก็โค้งบางทีก็ตรงบางโค้ข ง, ข, ง, ข, งขึ้นลงเนี่ยอันนั้นเปรียบเหมือนอนิจัง ความโคง้งความขึ้นความลงของเขาในร่างกายของเรามันก็ไม่สมุดตลอดเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันหนักมันเบาเดี๋ยวมันง่วงใช่ไหมวิธีการของเราคือต้องเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์สับไปสมาบ่อยๆไอ้ที่มันสูงมากเอาเป็นเกียร์หนึ่งเอาลงมากไปหน่อยเอาลงจากเกียร์หนึ่งมา เ, าเป็นเกียร์สมเกียรสี่เอาทำจะขึ้นใหม่ก็ลดเกียร์ลงมาขึ้นสลับกันอยู่อย่างนั้นแบบเดียวกันรถคันนี้ก็ขับไม่ต่างกับคันนั้นหรอกแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนามธรรม เราก็ต้องละเอียดกว่า น, นั้นอีกอาจจะเปลี่ยนบ่อยด้วยซ้ำไปเกียร์รถอันนี้นะเปลี่ยนไปเป็นมาก็าจะทําให้รถเราวิ่งสมูทไม่ถึงกับเรีวยกว่าชะงักหรือเสียหลักอย่างที่ว่าเนี่ยเสียหลักไว้ถอยดังนั้นมันการที่จะขับรถคันนี้ยคันกายจิตของเราเป็นผู้ขับใช่ไหมกายเหมือนรถใช่ไหมที่เราจะขับกายนี้ไปอย่างไรให้มันไม่มี อาการที่ว่าอกซกเดบเรียนวิพิจิตอาการง่วงการง่วงเลยถือว่าเป็นอักเสบเรียนแล้ใช่ไหมอาการคิดก็เป็นอักเสบเรียนแล้วมันก็เฉเอานอกทางอย่างงี้ยเฉลี่ยไปนอกทางเดินอยู่จมกลุมนี้มันเฉลี่ไปคิดเรื่องนั้นเดินไปดีๆเฉลีไปคิดเรื่องเนี้ยออกนอกทางก็ปรับเข้ามากระเป๋าเข้ามาในทางบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนเกียร์แต่ต้องบังคับพวงมาลัยให้ตรงๆอลักษณะอันเดียวกันเข้าใจนะก็เป็นนั้นว่าการ สอวลงก็ประมาณนี้คือถามถึงเรื่องที่ประเด็นหลักที่ตั้งไว้ทุนเช้าว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นเรื่องแล้วก็เป็นสาเหตุของทุกเรื่องด้วยถ้าจับตรงนี้ได้บ่อยๆชํานาญได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรื่องอื่นมันก็ก็ง่ายขึ้นน่ะเราไม่ต้องพูดถึงด้วยมีศรัทธาเท่าไหร่มีความเพียรเท่าไหร่เราพูดกันมาแต่ต้นเราที่เราทุ่มเท ม, มาทําเรื่องนี้หมายความว่าเรารักเรื่องนี้เลยล่ละเราพยายามกันเรื่องนี้ที่นี้เราก็ต้องมาหาความ ถูกต้องว่าจะทำไงให้มันมันเผลอน้อยลงมันเพลินน้อยลงมันรู้ได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าไม่ให้มันไม่มีไม่ได้เพราะมันมันต้องมีแต่ว่ารู้ได้เร็วขึ้นมันระยะมันสั้นลงรู้ได้ทันขึ้นความปวดความเมื่อยกับมันก็ต้องมีขมันอยู่อย่างนั้นความสบายไม่สบายตามในร่างกายนี้สบายไม่สบายมีอยู่ความเผลอก็ต้องเพลินก็ต้องมีอยู่แต่เราปรับความสบายไม่สบายให้มันสมดุลกันพอทนได้ไม่สบายเกินไป ไม่หรือไม่ไม่ไม่ไมไมไมทรมานเกินไปเนี่ยความเผอความเพลินก็เบาลงเพราะฉะนั้นจุดสําคัญต้นเหตุคือเราไม่อยากจะปรับความสบายไม่สบายของจิตก็ปล่อยให้มันไปเพลินไปเรื่อยจนหนัก แ, แล้วค่อยมาเปลี่ยนหรือจนเพลินจนแช่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวเนี่ยโดยเฉพาะตัวทุกขเวทนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้ง่ายเพราะมันเห็นชัดแต่ตัวสุขเวทนาเนี่ยเราไม่อยากจะปรับ ตราบใดที่กินอาหารอร่อยอยู่จะกินไปเรื่อยๆนยจนมันจุกเลยถึงจะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าสบายก็แต่หารู้ไม่ว่าอะไรมันดักอยู่ข้างหน้าอมันกําลังจะเพลินเนอะนะทางไปดีๆมันลื่นแฉลบไปเงี้ยไอ้ที่เราทําที่ทํามันเพลินไปสบายๆเหมือนแล้วว่าตัางตายทางลื่นทางลาบเนะี่ยมันก็จะหรือก็จะออกนอกทางได้นะ ดังนั้นเรื่องของนามธรรมถ้าเราสื่อความหมายกันได้เห็นภาพกันชัดที่เป็นรูปธรรมมันก็ง่ายขึ้นประการสําคัญเราจะต้องเพียนอย่างถูกต้องเราทําซ้ําๆซ้ําแต่ละครั้งแต่ละรอบไม่เหมือนกันแต่เราทําให้มันเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็เรียกว่าเราไม่ได้ศึกษาเพราะแต่ละอันแต่ละอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังเกตได้ว่าตอนแรก ที่เราเดิมเดินใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใช่ไหมลุกขึ้นเดินสักพักมันเป็นไงใช่ไหนักขาแล้วใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราไป็รู้ตอนปลายเราจอที่มันหนักขาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันข้ามไปถึงเยอะเลยแต่ความจริงมันหนักมาทุกก้าวละใช่ไหมสั่งสมมาทุกก้าวแต่เราลืมสังเกตในภาคภาวนาต้องการสังเกตเห็นว่าการเหยียบแต่ละครั้งเนี่ยมันเคยหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วขึ้นสร้างจังหวะมันการจองลงมือสร้างเปลี่ยนมาทํา ใหม่ๆรู้สึกเบาสบายสักพักหนึ่งมาละเมื่ออาการทางกายก็ทางจิตละใช่ไหมไปถึงจุดของมันละเพราะฉะนั้นระหว่างนั่งสร้างจังหวะกับเดินจงกรมเนี่ยความเบื่อเนี่ยอันไหนมาไวกว่ากันความเบื่อระหว่างนั่งกับเดินเนี่ยความเบื่ออันไหนมาไวกว่ากันลุงเบนบอกว่านั่งเน่ยเบื่อไวกว่ายุงมลนะ เดินก e ับนั่งอันไหนเบื่อไวกว่าแสดงว่าไม่ค่อยสังเกตเลยไม่ค่อยสังเกตนี่กลังนั่งอยู่อ๋อถ้าัเกตแล้วมันไม่ต้องนึกมันได้คาตอบมาเรียบร้อยแล้วหมาวามวาเดินไม่นานก็จะน่าเบื่อใช่ใช่ไเดินมันจะเพลินง่ายกว่านั่งนั่งน่าเบื่อกว่าใช่มยมเชี่ยวเหมือนกันไหมน้องมิ้นได้เดินก็ได้นั่งอยู่แล้วชีวิตจะันใช่ไหมมิ้นอันไหนว่าน่าเบื่อกว่าระหว่างนั่งกับเดินนาน นั่งน่เบื่อฟังรยมเชียนะนั่งการเดินนะ่ไรนน่าเบื่ อ, อนนกว่หนหน า, าถ้าทำนานๆาเท่ากันน่ะเฮ้ใครว่ายมโมลคนเดียวบางทีว่านั่งเนี่ยแสดงว่าเธอเธอแค้วดละแพ้วดนะนั้นหมายเขาม่ได้ข้อสรุปไม่ตรงสภาวะความเป็นจริงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าการนั่งคือการแบกรับน้ำหนักการเดินคือการถ่ายเทน้าหนัก เพราะฉะนั้นการนั่งจะน่าเบื่อไวกว่าเพราะคําว่าน่าเบื่อเนี่ยเป็นนิวรณ์ตัวไหนตัวที่สองตัวไม่เป็นอารติความไม่ชอบใจความน่าเบื่อทันใช้คาว่าอารติความไม่ยินดีอารดีน่ะน่าเบื่อตรงนั้นคือมาไวเพราะอะไรจรึงน่าเบื่อเ พ, เพราะว่าทุกเวทนามันมาไวไงแล้วก็บอกว่ามันมีสาเหตุโยงกันเราเราอย่าลืมหลัก เพราะนั่งน่าเบื่อเพราะอะไรเพราะนั่งมันแบกน้ำหนักแต่เดินมันถ่ายน้ำหนักเพราะฉะนั้นความน่าเบื่อมันจะมาไวกว่าแต่ความน่าเพลินบางทีมันอยู่ที่การเดินเพราะเพลินมันสบายมันเพลินง่ายแต่นั่งเนี่ยมันเผลอง่ายเพราะอะไรเพราะมันแบกน้ำหนักเพราะนั้นมันก็มันก็ดูไปดูมามันหลักการนั้นเดียวกันนะอาตรัยสายสับสนเท่านั้นเองเมื่อรู้อย่างงี้เราก็บริหารจัดการให้มันให้มันน้อยลงมาอันไหนน่าเบื่อก็ทํำน้อยน่อย อันไห น, นมันเพลินง่ายก็ทำนูน้นนอยสลับกันระบาลันกันแล้วบางคนก็ถนัดนั่งนานกว่าบางคนถนัดเดินนานกว่าแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ที่ตัวปรับแก้ถามว่าอันไหนดีกว่าไหนอยู่ที่ตัวปรับแก้ถ้าไม่พยายามขยันปรับแก้ไม่ว่านั่งกเดินมีปัญหาเหมือนกัน Million. ทั้งสองอย่างแต่ขยันปรับแก้จะนั่งนานก็ได้เดินนานก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะอยู่ที่ตัวที่การปรับตัวปรับตรงคาว่าวิริยะขยันปรับขยันแก้ ในแต่ละขณะหนึ่งปรับคอยระวังสังวร น, นะสองเป็นไงระวังแล้วเผลอเอาแก้ไขทันทีสามปรับเรื่อยๆสี่ปับไหนที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เอาดูแลมันทักษามันไว้เพราะนั้นตัวภาวนาเป็นตัวกลางคือตัวปรับถ้าปรับเสมอถือว่าเป็นการระวังไปในตัวถ้าปรับอยู่เสมอถือว่าละเหตุของ อากุศลนั่นเป็นตัวถ้าปรับอยู่เสมอถือว่าได้อนุรักษ์ได้รักษาตัวสภาวะไว้ได้แล้วนั้นเราใช้คำว่าปรับก็คือตัววิิยะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องขยันขยันปรับไม่ใช่ขยันทาขยันทาแต่ไม่ขยันปรับก็เหนื่อยเปล่าขยันปรับแต่ไม่ขยันทาก็ฟุ้งซ่าน ปรไปมั่วไปหมดเดยยังไม่เกิดเหตุที่จะพ้องปรับก็ไปปรับซะและ้วเรื่องตรงนี้นอันนี้ก็ต้องค่อยค่อยทําให้มันพอดีแล้วภาวนามันจะสนุกได้ทั้งวันแต่หลวงพ่อว่าสนุกเอ๊ะทำเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นสนุกเลยนะ น, นี้ก็เรียกว่าเรายังไม่ขยันปรับนั่นเองนะฮะถ้าขยันปรับมันก็สนุกนะแต่แล้วต่อไปเวลาจะไปทํางานอะไรมันก็ในโมเดลกันอันนี้ความเพียงที่เป็นโมเดลเพราะฉนั้นถ้าหากว่าเราจับหลักตรงได้เวลาไปทํางานมันก็ขยันทํางาน มันก็ทำงานก็คือความเพียรชนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็รู้ว่าอะไรจะเป็นตัวประสานของงานและมีประสานควรจะแก้งานได้ยังไงและควรจะปรับงานนี้ให้มันดีขึ้นยังไงงานก็มีคุณภาพขึ้นทุกเรื่องที่เข้าไปทำมันก็จะมีประสิทธิภาพเพราะความเพียรตรงนี้มันเป็นต้นตอของการกระทำที่เป็นกุศลกรรมใช่ไหมเราสังสมนะเราสังสมกุศลกรรมนะนั้นเมื่อโยกไปสู่ สนามงานจริงเราก็ทํากุศลในเรื่องนั้นด้วย <c oughs> งานก็ออกมาดีเ น, น, นี่ยนั้นเองก็การทําความเพียรนั้นมันเป็นเป็นการสั่งสมกุศลโดยเฉพาะยิ่งปรับแก้กุศลก็ยิ่งเพิ่มกําลังถ้าไม่ขยันปรับแก้กุศลก็อ่อนกําลังอกุศลก็จะเข้ามาคือนิวรนเป็นอกุศลใช่ไหมอาจจะเข้ามานั้นเวลาใหนสวดในหมดธรรมานุปัสสนาเนี่ยเวลาออกจากนิวรนไปเมื่อวาน ก็ไปสู่ตัวของอุปทานขันว่าอิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปปัสสะสมุทิโยเหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปารูปปัสสะอถังขโมกการสลายของรูปเป็นอย่างนี้คือการความง่วงเป็นอย่างนี้เหตุเกิดความง่วงเป็นนี้ง่วงที่จะสลายได้มันเป็นอย่างนี้ความเผลอเป็นอย่างนี้ เหตุของความเผลอไปการสลายความเผลอต้องทําอย่างนี้มันมีสูตรของเขาอยู่แล้วแต่เราตีบทไม่แต่เวทนาเป็นอย่างนี้เหตุเกิดเวทนามีการสลายเวทนามีความสบายเป็นอย่างนี้เหตุของความสบายมันคือ น, นี้เหตุของความการสลายความสบายความสบายสลายไปเพราะอันนี้มันเป็นสูตรที่เขาสวดเอาไว้แล้วแต่เนื่องจากว่าเราจะเข้าไปถึงบทนี้ยังใช้ไม่ถูกไงสังขารานังนะสังขารสังขารอิติสังขาราสังขารแบบนี้ อิติสังขารานังสมุทเโยเหตุเกิดสังขารเป็นอย่างนี้อิติสังขารานังนถังขโมงการสลายของสังขารความคิดเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของความคิดเป็นอย่างนี้ความคิดมันจะดับไปด้วยเหตุนี้ที่ท่านบอกเมื่อกี้ที่สวดมาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะแต่ส่วนใหญ่เราก็ท่องไปงัน้นปฏิบุตรไม่แตกเราไม่ใช้ไม่เป็นแนะต่ปฏิบุตรแตกใช้เป็นแล้วบาลีที่ท่อง ม, มั่งถูกหมดอะ เราไปใช้เป็นอยู่ที่ใช้เป็นนะในบทหานในขันธ์ห้าเนี่ยเรารู้จักตัวไหนเป็นตัวไหนจะแก้ได้ง่ายทีสามหลักเนี่ยเออเนี่นะความเบื่อเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของความเบื่อคืออะไรหาต่อไปพอ เ, เจอเหตุปั๊บแก้ไขเราก็รู้อ๋อไอตัวเบื่อมันจะสลายด้วยวิธีการอย่างนี้ต่อไปตัวเบื่อมาใหม่แล้วก็ใช้สูตรเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวมันมาใหมนะ่ความเจ็บเป็นอย่างนี้อ๋อเห็นว่าความเจ็บเป็นอย่างนี้ อความเจ็บมันจะสลายได้ต้องทําอย่างนี้เลยจับมาจะเมื่อกี่หมื่นกีน่แสนดูก็ใช้สูตรนี้เข้าไปแก้มก็จบตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวความเพียรที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้นะแต่พรุ่งนี้คนจะศึกษาเรื่องอะไรพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากัน <S <S น้ําตาลระหว่างที่ชงกับกาแฟกันน้ำตาลที่ชงกับนมเลยมันตัวเดียวกันหรือเปล่ามันก็คือน้ําตาลหวานเหมือนกั น, นนะแต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนกินเป็นสีไป เดินเดิน่วงเพราะเพลินเหมือนกันใช่ไหมเพลินในการกินเพลินในการกินอันนี้เพลินในการมันทําให้ง่วงง่วงง่ว ง, ง, งเป็นของอร่อยหรือไม่อร่อยเออนะเอ๊ะมันไม่อร่อยทำไมเราเสมมันแล้วใช่ไหมเราบางทีเราอยากจะง่วงเรานั่งซึบๆอยู่นะอสบายหลับตาในคลเคลิ้ อ, อู้อร่อยดีนะอันนั้นอันเดียวกันแต่มันคนรสอันนั้นรสอร่อยของความเพลินแต่เราก็ไปเสมมันก็เดี๋ยวก็ซึมหลับไปละแต่ว่าอร่อยนรากินไปนานๆไปแล้วอิ่มไปไง โอ้โหหนักละทีนี้ใช่ไหมอันนั้นมันรูปแต่ในความอร่อยเนี่ยเราสัมผัสกับรูปโดยตรงใช่ไหมแต่ความเพลินมันสัมผัสกับทั้งนามัรูปสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันจะมีความลักษณะอร่อยของมันจะละเอียดกว่าแต่อันนั้นลักษณะอร่อยของมันหยาบกว่าเพราะมันสัมผัสกับรูปโดยตรงใช่ไหมเพราะนั้นความเพลินมันจะไม่เหมือนกันอันนั้นนี่กินนี่อร่อยแต่หลังจากนั้นสิแต่กินเพลินอร่อยๆเป็นไงบ้าง ได้เพลินกันได้ง่วงกันอุตลุดเลยใช่ไหมมันคนจากเนื่อมาเดียวกันนี่แหละพอเคารดอร่อยทางลูกก็จะอร่อยทางนาแล้วทีนี้ก็คือไปติดความม่วงวันไหนต้องทานข้าวเยอะๆจะรู้เรื่องเลยละนะเพราะฉะนั้นในแต่ละอายัดนะเนี่ยมันก็จะมีรสชาติของมันความเพลินในการดูหนังฟังเพลงความเพลินในการกินอาหารความเพลินในการหลับการ น, นอนความเพลินในการที่เองนั่งคิด พิจารณาเดิมนั้นเดิมนี้นั่งคิดได้ทั้งวันมันเพลินแต่และรูปแบบเพลินเหมือนกันแต่เพลินแบบไหนที่นําไปสู่เหตุของทุกข์ก็ให้ออกจากอันนั้นถ้าเพลินในกุศลธรรมท่านไม่ใช้คําว่านันทิท่านใช้คําว่าปีติปาโมทช้ปีติปาโมทชังคือนั้นก็คือเพลินในสิ่งที่เป็นกุศลยิ่งเพลินยิ่งมีคุณอ น, นั้นนะแต่อันนี้ยิ่งเพลินยี่มีโทษเพราะมันเป็นนิวรณ ในตระกูลมันเกิดจากนิวรแต่ว่าความปีติประโมทมันเกิดจากกุศ ล, ลจิตเกิดจากความเพียรความเพียรที่ชอบศรัทธาที่ชอบก็ออกมาเป็นปิติประโมทแต่ว่าเราไปทำกับความเพลิดความเพลินมันออกมาจากตัวไม่เอาใจใส่ต่อสุขทุกข์ที่เหตุมันเกิดมันก็เป็นกอกุศลตั้งแต่แรกแล้วคือขาดสติสัมปชัญญะ พราะฉะนั้นที่เอามาตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นกุศลละเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอาการมันคล้ายๆกันแต่มันโคตรทางเพราะต้นต่อมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรสงสัยเนาะชัดเจนนะ